ร, รักทำให้ใจต้องการเป็นเจ้าของหวังจะครอบครองเพียงผู้เดียวลงจนมัวเมา ไม่ฟังไม่แลเลียวโกรธเป็นไฟเมื่ อ, อยางผิดหวังดับเปลวไฟกิเลสอย่ายอมให้มันเป็นใหญ่อย่ายอมตามจิตใจให้ธรรมนำปัญญาแสงไฟในธรรมนำสองใจให้ใสกระจาย พุทธองค์นำทางยังจุดหมายสู่หนทางดีงามผลบวงกัมที่เคยเวียนว่ายปลอดจากทุกดได้